ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องหนังสือประวัติครมพ่อปานแต่ความจริงหนังสือประวัติอครมพ่อปานเนี่ยแต่มาคิดว่ามีญาโยมหลายท่านต้องการในเขียนประวัติตัวเองก็เลยคิดว่าประวัติตัวเองจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากและประวัติความเป็นจริงที่น่ารู้ก็เป็นประวัติที่สืบเนื่องมาจากครมพ่อปานคือเกี่ยวพันกัน เป็นนั้นว่าก็เลยเขียนให้นมามว่าดวงศีอประวัติจุมพ่อปานเอาฟังงานต่อไปแล้วกันไม่ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องเราตามใจเป็นนั้นว่าท่านเจ้าคุณท่านเป็นใหญ่มากคุณผู้หลักผู้ใหญ่จะหมยนั้นแม้พูดเรื่องสวรรค์เรื่องนรกไปเจ้า อธิบายดีวางท่าต่างเป็นคุนนางเรียบร้อยสงบสงเง่ยม <c oughs> แต่ด้วว่าท่านตายแ ล, ล้วลกุกนรกเป็นหน้าต่อตอนนั้นท่านมีศักดิ์ใหญ่ที่าเวลาแล้วไปที่บ้านก็ไม่ยอมมาเคงของให้ในกันบอกก็ทว่าพระหวหวยแบบนี้ไม่นับถือสู่เด็กตัวเล็กๆ ก, ก็ไม่ได้อยากหาเราบ้านนี่ แล้วก็เลยบ้าต่อะแต่ว่าท่านทำเมื่อว่าท่านท่านก็ทาอะไรไม่ได้เระ่บ่ายของเราดานาสีว่าในเมื่อฉันไม่ได้เป็นลกูกศิษย์ของท่านฉันจะไปกลัวอะไรกับท่านท่านยายก็ไม่กล้าขัดใจฉันเพราะท่านยายท่านก็รู้เราบ้ามากบ้าพอที่จะขืนใจเพราะว่าถ้าอะไรถ้าไม่ชอบใจและเหตุผลไม่ดี เมื่อทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณตายท่านยายท่านก็ไปเยี่ยมศพท่านเจ้าคุณท่านก็นไม่ยอมชวนฉันไปด้วยถ้าชวนฉันก็ไม่ไปเพราะมีชีวิตอยู่ฉันก็ไม่ครบอยู่แล้วตายจะไปครบทำไมเพราะว่าเกลียดน้ำหน้ามากเจ้าคุณและเจ้าขนนั้นก็ไม่มีความหมายถ้าไม่พ่อที่ยังหนึ่ง นี่เป็นการหนึ่งในเมื่อไม่ผิดถ้าผ่านมาเราก็ผ่านไปท่านดีมาแล้วก็ดีไปเวลานั้นท่านเป็นพระอันพานเราไปนรกได้เราเห็นนรกได้หาวาเราบ้าเราก็ต้องหาว่าท่านบ้าเหมือนกันเพราะว่าเราไปเขาเาได้ท่านบ้าไม่เห็นเราบ้าเห็นมันก็ไอบ้าเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าคนบ้าเห็นนี่ยังไม่ได้ไปนรก แต่คนบ้าไม่เห็นทางนี่ไปแล้วไอ้คนที่ว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเราวังไอ้พวกนี้ถ้าไปแล้วก็ไปไม่ได้กลับอ <c oughs> อันดับแรกก็ต้องไปลงโลกันก่อนโลกันตานรกไปลงไอ้ที่มันไม่มีก่อนคือลงไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยคิดว่าไม่มี <c oughs> มีเพื่อนสัตว์ในรกกันเยอะแยะไม่รู้สิว่ามีมีพวกที่ว่าไม่มีเนี่ยเขาต้องไปแดนที่ไม่มีก่อนเล่ากันต่อไปแต่เมืสีมาท่านอยากจะไปเยี่ยมศพท่านยาคุณอ่ก็ก็ไปไปเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของฉันนะฉันว่างนะเวลาที่ท่านยายท่านยายไปเนี่ย ตอนนี้จะมาขอว่าตามสี่อสือฉันก็ฉันดีกว่านะเพราะเป็นเป็นศัพท์สมัยนั้นอตอนนั้นเมื่อท่านยายก็ไม่อยู่ท่านแม่ก็ไม่อยู่เป็นนั้นว่าผู้บังคับบัญชาที่ใช้กระบี่ายาสิทธิ์ไม่อยู่ไปหมดก็เลยสบายใจว่างเพราะว่างก็ไม่มีคนสั่งงานเนี่ยกรบียาสิทธิ์ก็ไม่มีแล้วท่านเก็บ ฉันก็ไปนั่งเล่นที่ชานบ้านนะให้บ้านเนี่ยมีรังคาออกมาแล้วก็มีพื้นเลยเรังคาไปเขาเราียกว่าชานบ้านเวลานี้เขาเรียกเธอลึกโทเลสอะไรไหมายว่ า, าภาษาที่ไม่ใช่ชบ้านารู้ไหมไม่อยากพูดไปนั่งในชานบ้านไอ้บ้านจริงๆอยู่ริมถนนมาอมันอยู่ริม น, น้ํานะก็มีต้นจากที่ปลายสะพานอยู่ต้นหนึ่ง ตอนนั้นฉันเป็นนั่งที่ใต้ต้นจากเอากระดานพาด ต, ต้นจากเพราะว่าไอ้ต้นจากต้นนั้นน่ะต้นนั้นน่ะท่านยายท่านปลูกไว้นานต้นมันใหญ่มากพอเมื่อลมพัดเย็นสบายใจขึ้นนั่งปลายสะพานมีต้นจากมีลําน้ํามันเป็นที่ว่างลมพัดไปมาก็สบายไม่มีใครรบกวนใจกระบี่ยาสิกก็ไม่มี เสียงเบราการสิก็ไม่มีเพราะทั้งแม่ทั้งยายไม่อยู่เพื่อเลยยิน้าคิดว่าเอท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณไดยำองค์นั้นท่านตายแล้วเนะี่ยท่านไปทางไหนนะคือว่าลืมราชธินนามที่เรียกวัวนดาสักของท่านไม่รู้ว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมัยนั้นท่านให้ประธานไดทิ น, นามว่ายังไง ก็ขอให้ตั้งชื่อให้ตัเองว่าท่านเจ้าคุณระยำเขาไม่ถูกกันนี่ว่าเจ้าคุณระยำองค์นั้นน่ะไปทางไหนเดี๋ยวจะต้องไปถามลุงดูก่อนจึงนึกถึงพระพุทธ ร, รูปองค์ที่สวยที่ฉันที่เคยมาหาฉันก็นึกกระตันนาว่าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรด ไม่รูท่านเป็นพระพุทธรูปก็เรียกพระพุทธเจ้านันแหละแต่ว่าท่านมาเป็นรูปพระสงฆ์จะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามใจแต่คนนึกว่านึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่ย่างในเวลานี้ขา้าพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาอยากจะทราบวา่าเจ้าคุณนั้นอยู่ที่ไหนขอได้มีพระหาคุณนาทีคุงจะขา้าพระเจ้าอยากจะเห็นพนนึกถึงท่านก็นึนก ภาวนานในใจว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพอคําที่สามลงไปท่านก็ปรากฏชัดแหมท่านก็ยิ้มวันนี้สวยจริงๆยิ้มแล้วก็สวยอารามสว่างไปทั่วทิศหมดโอ้มองแล้วสดชื่นเหลือเกินยายชื่นบานหนัสสามเมื่อเห็นนั้นแล้วก็กราบเปลี่ยนท่านว่ากราบทั้งก่อนแล้ว ก, กราบเปลียนว่ากระผมอยากจะไปดูนรก ถ้าท่านยิ้มอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ฉันก็พอท่านยิ้มพับก็ปลายกระตู้ฉันเองไปปลายกระยุนยกยอดเขาที่เคยไปนี่ท่านส่งด้วยการยิ้มเมื่อไปถึงก็นึกถึงท่านลุงท่านลุงก็มาหาทัานทีเหมือนกันอา้าท่านลุงถามว่าหลานต้องการพบลุงทำไมหรือ ยังได้แจ้งยกมือไหว้ท่านนะเคารพท่านท่านดีมากตอนนี้ท่านลุงถ้าไม่นุ่งเขียวนะลืมบอกนังสือมันจะบอกถ้าไม่นุ่งเขียวไม่นุ่งแดงท่านลุงท่านแต่งตัวเป็นชุดสีทองเรือนเรอของท่านเนี่ยรู้สึกว่าใสเหมือนแก้วในบางวันท่านก็ใช้เครื่องประดับเป็นแก้วแพ ร, ร์บริยัต บางวันก็ไม่มีแก้วมีแต่ชุดสีทองแต่เนืท่านใสวิ็นแก้วมองไปดูแล้วแสงทองรสมีทองที่ส้างเอาไปทําให้มอง้ตัวท่านทั้งตัวเหมือนกับทองคําทั้งหมดความจริงท่านลงทั้งก็น่ารักทั้งก็ดีเห็นหน่ายิ้มแยม้แยมแจ่มใสบางครั้งมาถึงก็ลูบหัวลูบหลังหลังงั้นหลา น, ลา น, ลานอย่างนี้ หลานคนดีของลงทําแบบนั้นนะจ๊ะทําแบบนี้นะจ๊ะไอเราก็คนบ้ายออธิบายฟังว่าหลานดูนรกแล้วก็จำมันเป็นหลานนะอันนี้เขาทาอย่างนี้จึงมาทํายี่หลานจงอย่าทํานะแล้วก็มีจุดหนึ่งท่านบอกว่าหลานเนะี่ยจะต้องพบกับกรรมอย่างหนึ่งในวันข้างหน้าหลานจะต้องฆ่าคนนับร้อย แต่ได้ว่านั่นมันเป็นการโจงเวนซึ่งกันและกันมันไม่เป็นปัจจัยให้ลงนรกแต่ว่าหลานจงทำตนเป็นคนใจดีนะอย่าทำตนเป็นคนใจร้ายแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่จะฆ่ากันเพราะเหตุสันสมควรหนึ่งเขาเป็นโจรสองเขาเป็นฆ่าศิกรรมเทศเราทำเพื่อชาติและทำเพื่อความสุขของประชาชน แต่ว่าลุงไม่ต้องการให้หลานทำอย่างนั้นแต่กรรมมันบังคับจะเป็นการจองเวงกันนะแต่ว่าหลานก็จะลืมปฏิบัติกาความดีของหลานที่มาที่นี่ได้ด้วยกำลังใจแบบไหนหลานจงทาตามนี้ตลอดไปจนถึงมันตายหลานจะปลอดภัยจากนรกไม่ชื่นใจเนี้ยวก่อนอ่าตอนนี้ก็มาพูดกันถึงตอนลุงก่อน มันเนอกตังสียนะนึกเข้าได้ก็ บ, บอกเวลานั้นมันป่วยมากเวลามันทึกตังเสียเนี่ย <c oughs> ออบอกท่านว่าได้ข่าวว่าพระองค์หนึ่งพระตายพระองค์หนึ่งเขารับพระองค์นั้นท่านมีตาแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าคุณท่านชื่อว่าจุดจุดจุดจุดจุดจุ ด, จดนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องฐานหมินประมาทเขามีชื่อว่าอะไรจะบอกชาวบ้าน ก็อย่าบอกทําไมไม่เคยประโยชน์ไม่บอกให้ก็รู้ไม่ไม่ไม่บอกให้รู้บอกก็ไม่ไปเป็นเรื่องแต่บอกได้แต่ท่านลุงท่านลุงเพราะบอกว่าพระตายมาองหนึ่งเท่า น, นั้นท่านลุงบอกอ๋อองนั้นน่ะได้ชื่อนั้นน่ะเรือท่านลุงท่านทราบทันทีท่านบอกว่าเขาตัดสินแล้วี่หลาน เพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันเป็นการไม่ยากคนไา้คนเขาต้องคอยการตัดสินแต่คนนี้ไม่มีการคอยราถึงตัดสินเลยในขณะ น, นี้พระองค์นั้นก็ไปอยู่ในเอเวจีมหานรกถามว่าถามทด้ว่าพระเนี่ยตกนรกด้วยหรือครับท่านลุงท่านตอบว่าพระตกนรกเป็นไปจำหลาน ก็ ว, ว่าพระที่บวชแล้วเนี่ยไม่ทำตนเป็นพระก็ต้องตกนรกที่ในฐานนะว่าพระเทศสอนชาวบ้านเรื่องนรกสวรรค์ได้แล้วก็ทำไมพระต้องตกนรกล่ะครับ <c oughs> ตัานก็ตอบ ว, ว่าก็พระดีแต่สอนชาวบ้านแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตนสอนเขาบอกให้คนอื่นเขาทำดีแต่ตัวไม่ทำด้วย พระประเภทนี้น่ะลงนรกทั้งหมดทันหลานและก็มีโทษหนักมากฉันอยาใจเห็นท่านนะ่ะท่านยจ้าคุณบอกกับท่านลุงใจนึกว่าเอ๊ท่านเจาคุณท่านลงนรกไม่ท่านคุณจะมีความสุขเราว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ท่าทางท่านเป็นคุณนางเรียบร้อย <c oughs> ฉะนั้นมาที่นรกเวลาที่ท่านเป็นยังมีบรรทุกอยู่ไปไหนเขาก็ปูพรมมีอาสนะชั้นดีมีหมอนขวัญมีกระโถนมีน้ําร้อนน้ําชาถ้ามาในเมืองนรกนี่ในเมืองนรกควรจะจัดที่เป็นพิเศษเครื่องกินเครื่องอยู่สบายนึกในใจนะที่นี้กราบเรียนให้ท่านหลวงว่าท่านลวงรักก็ผมเห็นอยากท่านอยากเห็นท่านอย่ากลัวตงนั้นท่านหลวงเก็บอกว่าได้ทีหลาน หลานต้องการอะไรเนี่ยบอกลุงเธอทุกอย่างลุงพร้อมที่ทําเพื่อหลานเพราะหลานเนี่ยเป็นหลานของลุงนะเออหลานว่าท่านเป็นลุงจริงๆเลยท่านก็ไอตอนนี้ออกปนอกทิศนะออกนอกนังสีหน่อยออกนอกนังสีเวลานั้นป่วยมากก็รู้ไม่กันไม่ได้ปวดทิ้งไว้าขาดท่านบอกว่าลุงก็เคยเป็นลุงของหลาน สมัยหนึ่งหลานเคยเป็นพระราชาเมืองหึ่งและสมัยนั้นลุงก็เป็นพี่ชายของบิดาของหลานและก็พญายมเวลานี้ก็เป็นพี่ชายของหลานพี่ชายของหลานเวลานั้นเวลานี้พญายมก็ยังถือว่าหลานเป็นน้องลุงก็ยังถือว่าหลานเป็นหลาน ลุงมีความรู้สึกว่าที่หลานมาเดนหลานมาหาหลุงทุกอย่างถ้าอะไรที่หลานต้องการไม่เกินวิสัยของลุงลุงพร้อมจะสงเคราะห์ก็ลุงเคยอุ้มหลานมาสมัยโน้นแต่เวลานี้ลุงก็ยังอยากอุ้มหลานต่อไปคือการอุ้มไม่ใช่อุ้มกายแต่อุ้มกาลังใจแม้กราบท่านไปที่เท้ากราบไม่รู้บีข้งลุงใจดีจริงๆทั้งลูกหัวลบหลัง สำบาบท่านแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักๆท่านมากเขาบอกว่าต้องการอ ย, ยรา่าทราบท่านกระไเวทปั๊บมีที่ไร้เวทกับ ท, ท, ท่านทําไงไหมท่านยกมือขึ้นนะยกมือขึ้นพับบอกว่าอเวจีมหานรกจงปรากฏกับสายตาของหลานในที่นี้ ด้วยความจริงการทําอย่างนั้นไม่ใช่ไปยกเอเวจีมาให้สภาวะความเป็นทิพย์นะ่ะมันก็หลอกตาคนได้เหมือนกันว่าต้องการจะเห็นอะไรมันก็เห็นใกล้ทั้งหมดสภาวะความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรหนักนี่ตอนนั้นเราเป็นโง่ลุงถ้าอะไรต้องเล่นคนให้ดูพอท่านทําเท่านั้นก็ปรากฏว่าภาพเอเวจีหมานรกก็ามาอยู่ติดกัน เหมือนกับอาตมาในไปยืนยู่ที่ปากขุมนรกแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ภาพมันหลอนมั่เรายืนอยู่บนภูเขาแต่ฉันเห็นท่านย่าคุณฉันก็จำได้ภาพของท่านนีปรากฏเป็นดังนี้นะเอาตอนหนังสือลนะหนึ่งยืนกลางแขนมีหอกปักจากพปลีนดาลเหล็กเปลนดาลก็เป็นเหล็กสีด้านนะ คือว่าสีด้านเป็นเหล็กและข้างบนข้างล่างก็เป็นเหล็กเป็นหกด้านแล่นเป็นเหล็กแล้วไฟเป็นเหล็กไปแล้วร้อนแดงโชนไฟพุ่งมาเป็นละอองมีห อ, อกออกมาจากข้างล่างข้างบนตรึงใกล้ด้านหกด้านขอ ง, ง, งเหล็กกนะันอย่าอธิบายมากเลย <c oughs> หวังว่าพอเข้าใจแคเนี้นเดียวคุณก็จําได้ภาพคนท่านที่ปรากฏถึงหนึ่งยืนกลางแขน มีห อ, อกปักเชพเพดานเหล็กด้านบนปักติดอยู่ที่มือทั้งสองท่านปลายดำห อ, อกติดพปดานหัวห อ, อกติดพื้นเหล็กด้านล่างก็เป็นพื้นเหล็กเหมือนกันสองห อ, อกปักด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตรงหัวสลับกันส่วนห อ, อกทางด้านปลายดานดำตรึงติดกำแพงร้อยตัวทั้งหมดขยับไม่ได้เลย อือใช่ไมไปร้อยสักต่ใบละายสยับก็ยังไม่ได้เดยอะก่อนถ้าไปถึงตอนไหนอ่ะนี่เกิดพริกแดงสีอ้าวแยกเกิดพริกแดงสีผ่านไปถ้าจะช่วยอ่ะสวยแล้ว <c oughs> เปิดแดงสีปับเปิดไปสองใบ แล้วก็อีกตอนหนึ่งท่านบอกเรื่องห อ, อกนี่ก็ขอไม่หยับพันไม่พันนานะเป็นว่าปากยึดยองขยขับขยื่นไม่ไหวก็แล้วกันยังได้กราบเปลี่ยนถาบท่านลวงว่าท่านลวงรับท่านเจอคุณองค์นี้เนะี่ยมีโทษอะไรเลยครับจึงมีห อ, อกปรักตรึงแล้วก็มีเปลวไฟละเอียดร้อนมากรู้สึกว่าจะร้อนกว่านรกทุกขุมฮะ เอาไฟพุ่งมาทุกด้านทั้งสี่ทิศทั้งหลางบนเผาตัวตลอดเวลาจนกระดูกแดงเหมือนกัเด็กที่สุกแล้วท่านลุงอยู่ในบอกว่าถ้าลุงจะไม่บอกให้อ้ า, อ า, อาดีก่อนท่านลุงจะเอายี้นะท่านบอกว่าลุงนะจะไม่ยอมบอกนะลุงจะให้พระองค์นั้นมาบอกเองดีกว่า อาง น, นี้ดีไหมก็กราบเรียนกราบท่านลุงขอบคุณท่านบอกดีครับผมอยากจะรู้จากปากของท่านเองแต่ว่าท่านลุงบอกผมว่าเชื่อครับเพราะว่าท่านลุงไม่เคยปกปิดอะไรผมเลย <c oughs> ตั้งก็เลยบอกว่าอย่าเลยหลานมันเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะมีความมั่นใจว่าถ้ารู้จากเขาเองเป็นการสอบสวนว่าที่เมืองนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีไม่มีคนโกหก ถ้าเขาทำอะไรดีดอชั่วเขาเขาก็รับตามความเป็นจริงทุกอย่างเดือนได้ต่อมาท่านลุงก็บอกชี้มือนะบอกนายิยฐบาลบอกนี้เธอเอาคนนั้นขึ้นมาเขาไม่ไดีดกพระหรอกเขาไม่นจะดีดกพระในผลิคนแต่ความจริงไม่ได้คนท่านบอกเธอจงเอาสัตว์นรกตนนั้นขึ้นมาตัวนั้น เห็นไหมเป็นพระตายไปแล้วไปเป็นสัตว์นรกเขาไม่ได้องค์เขาไม่ได้คงฤทธิกตัวนี่พระทีโออย่าพูดไปเลยญาติโยมดูตามชอบใจก็เลยกันพอท่านลงเรียกก็ปรากฏว่าในาิบาลเขาสั่งพอสั่งเครื่องพันธนาการก็หลุดเมื่หลุดแล้วก็ขึ้นมาไฟที่ติดตัวท่านก็ดับ ร่างกายเป็นปกติท่าก็ขึ้นมาท่านเห็นฉันเข้าท่าน ก, กล่าวขออภัยในตามสับปางศีนะท่านลุงบอกว่าการขออภัยขณะนี้เนะี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะโทษที่เหยียดหยามผู้ทรงฌานถูกตัดสินแล้วโอ้โหแต่หมอโทษที่เหยียดหยามผู้ทรงฌานถูกตัดสินแล้ว ตอนนี้อาจมาก็สงสัยถามท่านลุงว่าอถามว่าท่านลุงรับที่ท่านลุงว่าผู้ทรงฌานนั้นหมายถึงใครใครเป็นผู้ทรงฌานครับท่านลุงก็บอกว่าอ้าวก็หลานไงนะ่ะหลานนั่นแหละเป็นผู้ทรงฌานแต่ตอนนี้เขาบรนดา ญ, ญาโยงพู้ดำเิษัทโปรดทราบนะ ว่าตอนนั้นอาจมาเป็นเด็กอายุติดสองเป็นผู้ทรงฌานเวลานี่อายุเกือบเจ็ดเจ็ดสี่ปีแล้วฌานเชิญพังไปหมดแล้วเวลานี้ไม่มีฌานฌานม่นเก่ามันผุมันพังไปแล้วอย่าไปนึกว่าเป็นผู้ทรงฌานนะนั่นเป็นสมัยเด็กไม่ใช่สมัยนี้จะไหมตอนโตมาสร้างความใ น, นยมหนึ่งเจ้าชู้สบายมากเครื่องเจ้าชู้นี่ไม่มีอะไรหนักเลย สองโจรสามฆ์าอิปรมเทศถ้าโอกาสมีอะไรจากการเด็ดขาดทำไม่พูดทำแล้วไม่ต้องพูดความระยามนี้ทั้งหมดชาดมันคงพังไปเวลานั้นแล้วเวลานั้นเวลานี้คงจะไม่มีอะไรมีแล้วไม่มีก็ไม่ได้สนใจใช่างไหมเป็นนั้นว่าจงใหญ่คิดว่าเวลานี้อาตมาเป็นพระผูสทงชาญ จึงเข้าใจว่าเรื่องของชาสมาบัติเป็นสมัยเด็กอายุทิศสองปีเวลานี้ไม่เกี่ยวเพราะนั้นว่าคําว่าชาเนี่ยตอนนั้นอาตมาไม่รู้เรื่องเลยทําไปเห็นพระได้มาได้กระหม่ไอ้ชั้นในเชิญไม่มีใครก็บอกไม่รู้ว่าเป็นไงกัหนหรืแต่รู้ว่าคํานี้ฉันไม่รู้เรื่องฉันคิดว่าเมื่อฉันจะมา ฉันเดินไปที่บ้านไปที่สะพานตีกับชานฉันเอากระดานพาดกับก้านของต้นจากเพราะว่าเหตุนี้ก็มังที่เขาเรียกกันว่าชา น, นไอ้ชายคือนอกชานบ้านนอกไปเอาวางกระดานไอ้กระดานเอากระดานไปวางบนต้นจากเขาอาจจะได้ชานก็ได้เป็นชั้นในชานแต่ก็เป็นการมาเออนี้ฉันก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้กับท่านลงุงท่าน ให้ตามนรสีนะท่านลุงท่าก็บอกให้ท่านเจ้าคุณเจ้าคุณนรกขอให้เชื่อใหม่นะว่าขเขาเรียกท่านเจ้าคุณนรกบอกเรื่องที่ตนทําผิดมาตายแล้วลงอวัยจีท่านเจ้าคุณก็จึงได้บรรยายตามบรรยายความตามไทยเสด็จญาตให้ฟังดังนี้หนึ่งเมื่อบดแล้วไม่สนใจในการรักษาศีลให้บริสุทธ และก็ไม่ได้เจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนวสนาภาวนาไม่เคยสนใจมีความผิดอย่างผิดความหมายของพระด้วยพระเป็นารนะคือว่าเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับหมายพระสงค์เนี่ยเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับเมื่อทาตนไม่สมควรกับสัณนาิวิสัยจัดเป็นความผิด คือเป็นคนลงเป็นคนลวงโลกหลอกลวงชาวบ้านว่าตนเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้านเห็นวันบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านบอกว่าเลยว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วต้องหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติมีวิปัสสนาญาณจึงจะพ้นนรกฉะนั้นเดินบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมั่นใจได้ว่าพระองค์ไหนไปอบรมโยม แสดงว่าพระองค์นั้นมีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติมีวิปัสนาญาณดีโยมถามเรื่องนรกสวรรค์นิพพานท่านได้ทันทีเลยไม่ต้องรอเวลานี้พิสูจกันได้แล้วเด็กเขายังทําได้พระทําไม่ได้ไม่มีรูกโยมเวลานี้พระทันดีทุกอง์แล้วสองศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรม ทาตนเป็นสัตย์เดชานมีมานะทิฏฐิคิดว่าตนเป็นคนดีมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ้านเป็นทางหาทรัพย์สินให้เกิดแกอตนและก็ไม่เคยนำทรัพย์นั้นไปสงเคราะห์ในส่วนสาธารณประโยชน์หรือว่าบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้ อันเป็นวิสัยของคราวาัตพระท่านห้ามไม่ทำแต่ฝืนทำเอก็พระที่ได้ปริญาแหละที่ได้ปริญาแล้วเห็นว่าเขาในเด็กๆเขาได้มโนยิทธิเขาบอกว่าไปสวรรค์ไปพรมได้ท่นานก็บอกว่าถ้าไปสวรรค์ได้แล้วเสียกลงมาเมืองมนุษย์ทำไมถ้าไม่ไม่ค้างอยู่ที่นั่นล่ะพระอย่างนี้เรานี่ยรกขุมห น, น่เนอ พวกปนิยาณนรกไม่มีหรือเปล่านอเมื่อสามเมื่อมีทรัพย์มีความเยอทิ ย, ยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศขิ้ปตู ว, วิเศษแม่แต่ผู้ทรงฌานท่านพูดแล้วต้องมาชี้มาที่ฉันยังกล้าคลค้านแล้วก็เหยียดหยามเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงนี่เป็นความผิดข้อที่สาม มีความผิขดข้อที่สีในฐานะที่ท่านเป็นพระสงฆ์สมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะสมัยนั้นพระราชาคณะไม่มีสะรังมันเโลหิตแบบสมัยนี้หายากใครเป็นเบอร์ครูหรือเจ้าคุณศักดิ์สิทและใหญ่มากน่าดูคุณยายหาอ่านะเจ้าคุณนี่หายากเหมืนก็หาอะไรโหติษ และก็มีพิษมากพราะเจ้าจคุณเนี่หายากแต่เหมือนหาโหตะพิษและก็ที่มีพิษมากเพราะว่าจะไปที่ไหนก็ต้องต้อนรับกันอย่างเป็นเจ้าแต่เจ้าไม่มีสารนะเขาเรียกท่านเจ้าสมัยนั้นเจ้าคุณนะแล้วเมื่อเป็นพระมีศักดิ์ใหญ่อำนาจก็ต้องใหญ่ครองความเป็นใหญ่ไว้มาก ลูกน้อยตั้มลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็มากใครใหญ่จะได้ยศตำแหน่งก็ต้องเสียสตางค์อีตอนนี้รีบหน่อยเพราะจังหวะจะหมดไปเสแล้วเวลาจะหมดเงินต้องอต้องจ่ายเงินมาตามอัตราขอแต่กล้าใหญ่ต้องมีมนเทศติดเงินก้อนใหญ่ใหญ่เวลามาขอยศก็ขอตำแหน่งเนี่ยขอยศขอตำแหน่งก็ต้อง หาพานมาใบคีนนะมีแบงค์ใบใหญ่ๆหญ่เลยกลายเป็นพระมหาเศรษฐีใหญ่มีลูกหนี้ใหญ่ใหญ่คือมีเงินให้กู้มากๆมีทองจำนำมีทองจำนำเส้นใหญ่ๆหญ่ใรับจำนำนะรับจำนำทองเส้นใหญ่ๆ่นะมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆญ แล้ก็เลยตกนรกขุมใหญ่ๆมีความทุกข์ทรมานใหญ่ๆตรงความแล้วท่านก็เป็นพระใหญ่ๆหลอกลวงใหญ่ๆเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ๆตกนรกขุมใหญ่ๆสมบัสินาบรมีความที่ท่านเป็นใหญ่แล้วก็เลยมีทุกข์ทรมานใหญ่ๆวันนี้ว่ากันทั้งื่อนใหญ่จบกันดีกว่าเวลาหมดนะเจ่าว่าจะโทษต่อไปก็ไม่ได้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาหมด ในเวลาควาสถานีจะเลยไปสาหรับวันนี้อาจมาก็ต้องขอลากร อ, อความสุดสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์โูลผลงมีแดดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี